บทที 2. 2> ่สี <S <S ura, em ่สิบเจ็ดตัวจิตุระบิลระตัวจิตุระบิลระการเตรียมตัวเดินทางรกที่ฮานุมซึ่งฟะฮะซุนรกที่ฮ คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วีชิมาดนบนะีชิมาดนบนะอย่าลืมอะไรนะซปารซชิบุชซปารซชิบุชคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ ชิมบันมาดาน น, า น, นั่งยิงเอวิชิชาอย่าลืมหนังสือเดินทางนะพาสปอร์ตร์ก็จะชิมกะ ร, รูปช์อย่าลืมตัวเครื่องบินนะคูพัสดบิลเล็ตร์ก็จะชิบกะรูปช์ ก ы з ะชิมกับรูปช์อย่าลืมเช็คเดินทางนะรูปเช็ค ы รับก็ ш ะชิมกับรูปช์ร ы ปเช็คครับก็จะช н เอาครีมซันแทนไปด้วยนะทุกมูกมีกสติชครีมร์สุดเด็ดทุกมูก็จะม เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะนาคุนเจอชซารซิดตนุจซรซิดาชตเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะรัมฟฟปาอูร์ซิดสตัมฟปาอูรซิดาชตคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมคาร์เตอร์ซิดตอว Carter, ste, คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม r o g r w z e r zdapste p y w a o g r w z e r zdapste p y w a คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม c h a m s i r zdapste p y w a h a m s i r zdapste p y w a อย่าลืมกางเกงเสือ้อและถุงเท้านะอย่าลืมเน็คไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ ห่พิากกช์กอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะผ้มชี้ฟุตบบลั่บช์ามชีสเจคฟุตบลกกระซคุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะ และรองเท้าบูทชิร์กมวิุชกวนิตคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกยตัดเล็บอสบอะอบเนปูบจวิ บบออคุณต้องใช้วีแปรงสีฟันและยาสีฟนัน